ขออยุญาตชทั้งหมดตั้งใจสังการน้ำมันในการบริการธนฐานสำหรับวันนี้จะไม่พูดเรื่องอากายกสินกสินจะนไม่ค่อนเรื่ออากายกสินนะว่าอะไรนั้นหนาวอากายกสินถ้าจะทำจะต้องอาศัยกะมาถายกองอื่นเป็นพื้นฐานคือเป็นชาติสมบัต ทำให้เป็นชายสมาบัติแล้วก็จัประกาศจับภาพอากาศอันนี้ก็งทีไม่จาเป็นปตัวศีลเหมือนกันเริดความว่าศีลต่างๆที่แนะนำมาแล้วต้องการน้ำรนาดาย่าโยงพ ร, ริษัทมีความเข้าใจถ้าการเจริญสมาธิถ้าใช้กัวศีนสมาธิจะทรงตัวดีแล้วก็ทำได้ง่าย แล้วก็ทำทาได้ง่ายพออเพราะอะไรมาพรว่ากสินเป็นธรรมฐานยากมีผ้าเป็นเครื่งจับวนนี้ถึเวลาทำจริงๆถ้าวบรรดายาโยมพุทธริษั์ไม่ทราบว่าจะใช้อะไรเป็นกระสินก็ขอแนะนำใช้ของกลางกลางนั่นคือพระพุทธรูปไม่ต้องทำมากเอาอย่างเดียววขอทเพราะาเราไม่ต้องการจะเทวัญญาสมาบัญ ถ้าต้องการฝึกวิญญาสมาบัติก็ต้องใช้กระสีทั้งสิบอย่างถ้าใช้เป็นแค่ฌานปกติเพื่อหวังผลในการสรงฌานในความเป็นพระอริยเจ้าก็ใช้กระสีกองเดียวพอั่นคือพระพุทธรูปพระพุทธรูปจะเป็นพุทธานุสติได้ผลหลายอย่าง ถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุท ธ, ธานุติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โดยการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นี่ในกรรมฐาน40สที่พระพุทธโสดาจันวจนะกรรมฐาน40สกองท่านถามเองท่นานตอบเองท่านถามว่ากรรมฐา น, า น, ท, น, น, นาทั้งสีสกองทำกองหมจะเข้าตรงนี้าัง่ายที่สุด ให้เรตอว่าถ้าเจริญพุทธานุติกรรมฐานคือลึกถึงเลือดเจ้าเป็นอารมณ์อย่างนี้จะเข้าอิทัยง่ายดีสุดก็ถือว่าการเจริญพุทธานุติได้กําไรมีกําไรกว่ากรรมฐานก่อนอื่นตอนนี้ถ้าจะใช้พระพุทธรูปอาวุธโลกเป็นกระสินก็ต้องดูสีถ้าพระพุทธถ้พระพุทธรูปมีสีเหลืองเป็นปิตาการกสิน เป็นไดการในี่ยเาแบบสีเหลืองถ้าพระพุธรูปสีขาวเป็นโอาทาเตระสินถ้าพรพุธรูปแก้วใสเป็นอาโลกรสินทีถ้าพระพุทรูปสีเขียวเป็นเมลเกระสินอะไร็นต้ น, น, นตรวมความว่าใช้สีอะไรก็ได้แต่ทางที่ดีก็ควรจะจักสีเหลือง อันนี้เพราะว่าพระพุทธรูปเหลือเราถือว่าเป็นกฎปกติธรรมดาเป็นภาพประจำเ ง, งื่อยถ้าจะทําเป็นเงาสินอันดับแรกจลืมตาดูภาพพระพุทธรูปจำลักษณะพุทธรูปว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเสียอะไรบ้างก็ น, นึกถึงพุทธรูปเป็นฟุตบานหรือจาภาพนั้นระจาําภาพนั้นได้แล้วก็หลักตานึกถึงภาพภาวนาไปด้วย ถ้าอยาภาวนาเป็นเกษีแม่ภาวนาวน่าปิตากะสีนามัสีเหลืองะปิตากะสูนาแปลว่าเกษีสีเหลืองถ้าเป็นพุทธามุติก็ะาวนาว่าวพุทโธก็ได้สัมมาดาห์ก็ได้ทิสุขโตก็ได้ได้ทุกอย่างตามใจชอบถ้าภาพนั้นเรืองจากใจลรืมงตาดูใหม่จำภาพได้แล้ก็หลับตา ถ้าทาอย่างนี้จนชินไม่ช้าเราจะไม่ต้องดูพระพุทธ ร, รูปนึกขึ้นมาอะไรนึกเห็นภาพพระรูปทันทีไม่เห็นเลยแต่เม่เห็นภาพเราจะรูปทรงตัวก็เป็นพุทธามติด้วยเป็นกระสินด้วยต่อไปถ้าสมาธิสูงขึ้นจะเข้าเข้าขัาข้นอุปจารสมาธิคือเรียกว่าเป็นอุปนิมิตตอนนี้เราจะรูปจะเริ่มขยายโอ อาสมาที่ดีขึ้นพระทูปถ้าเล็กอยู่แล้วก็ไม่ใต่ใจคอใหญ่ภาพพระทูปก็จะใหญ่ขึ้นแล้วอยู่สูงขนาดไหนก็อสูงตามนั้นแล้วอยู่ต่ำก็อยู่ต่ำตามใจเราชอบอย่างนี้ไปอุปกรณ์มีนิดสมาธิดีขึ้นต่อไปอุปกรณ์มีนิดมีสภาพมากต่อไปสมาธิสูงที่กว่านั้นดีกว่านั้นละเอียดดีกว่าภา สีเหลืองก็ค่อยกลายเป็นสีเหลืองจางๆจางเพียงน้อยเแต่ไม่ใช่ประเดี๋ยวเดียวจางแนละ้วอาจารย์ใส่ใววันเ้าค่อยจางจางไปจางไปจางไปตั้งจนกระทั่งเป็นสีขาวท่าผ้าพระทู้เห็นเป็นสีขาวทั้งหมดอย่างนี้เดี๋ยวไปอุปกรณ์ิตรเต็มอัตราถ้าถือวยสมาธิถือวยอุปจารสมาธิเหนสงูงและก็ในตอนนี้เราจะใช้กําลังจิต สร้างที่ปเป็นจกรยานอาจเห็โลกโลกสีขาวละมีการทรงตัวดีจะรู้ว่าถ้าจิตมีความถินไม่ต้องนั่งนาคนาขานาอวงพระลูกไม่ต้องออมีทุะลูกอู่ใกล้ๆิตมารัยเห็นผ้าของพรูปเหมือ น, นั้นไอ้ก็บังเอิสีขาวขาวสะอาดมากสามากแล้วก็ใหญ่กว่าเป็นแพร่ทึบใหญ่กว่าเดิมอย่านี้เป็นอกว่ามีตรเป็นกาลังจิตเข้าถึงความเป็นทิพ ปราชารสมาธิในเมื่อต้องการจะฝึกทิพยา น, นตามแบบของวศิณอันนุปุธได้วิชาสามเป็นหลักสูติชาสามถ้าเราต้องการจะเห็นอะไรก็เขาได้ถามขอภาพพระพรูปจงหายไปภาพตั้ย่งางกากดแผนเกียงเท่านี้ภาพที่เราต้องการจะแปลกดเพได้เห็นชัดเท่าภาพพระพุทรูป แต่นเดก็ทุกข์จะใช้ในทุนกุญญาหนักวิชาสารตอนนี้ถ้าเราจะมาที่ตึงขึ้นไปกว่านั้นสูงกว่าที่ก็เริ่มเป็นชานพอจิเริ่มึเข้าถึงประฐ ม, มชานก็ดีแล้ชานตึงก็ตันจากภาพสีขาวจะ ก, กลายถึงแก้วจะเป็นแก้วใสเพียน้อน้อยจนทั้งหมดองต่อไปเป็นแก้วใสสะอาดถึงที่สด อารมณ์มการสรงตัวอย่างมิจัดเป็นฌานฌานสงูงอันนี้ก็เป็นการแนะนําบรรดาตานพุทธบริษัทในด้านการเจริสมาธิการใช้ตัวศิลหรือเอาวัตถุเป็นตัศิลด้วยเป็นพุทธานุสติด้วยแต่สำหรักการแนะนำกรรมถานในคราวนี้ก็จะเว้นจะใช้แค่แบบประทิ น, นากาศเพื่อใช้ตามหลักสูตรมนันนานเลยมันจะเบื่อเบื่อไห อัที่เบลไ่บ อ, อะไรจำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมตอนสิ้นก็ว่ามาเก้าของวันนี้เราขอพูดเรื่องกฎธรรมบากฎธรรมบาที่เราจเจริญกันมาฐานกันเราทําเพื่ออะไรเราทําเพื่อความค้นทุกข์ร่างกายเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข่ไม่สบายเป็นทุกข์ การประกอบกิกการงานต่างๆก็เป็นทุกข์ความปรารถนามไม่ค่อยสมหวังก็เป็นทุกข์การพักษาจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เราก็ต้อลมานั่งนึกที่ความเป็นจริงปรากฏการที่เราเกิดเป็นค น, นมันดีไหมถ้าเราใช้ปัญญากันจริงๆยอมรับความเป็นจริงนี้ว่าการเป็นค น, นมันก็ไม่ดี ว่าเป็นคนมันไม่ค้นความทุกข์มีความเกิดขึ้นในเรื่องต้นแล้วก็มีความแก่ป่วคือความแก่บ้างความป่วยไข้ไม่สบายบ้างความวัฒนามไม่สมบัตบ้างการรับการเจริของรักของชอบใจบ้างความตายยังเริ่มาถึงบ้างมันก็มีอารมณ์เป็นทุกข์ตลอดเวลาขนาดที่ระดมการทรงตัวก็ต้องประกอบกิจการงานต่างๆมันเต็มด้วยความเหน็ดเหนื่อย บางทีก็ป่วยไข้ไม่ส บ, บายเล็กน้อยพอจะพักผ่อนบ้างก็ไม่ได้พักผ่นต้องทํามาห้ากิ่งไม่ทําก็เกรงว่าจะไม่พอกินก็โลภาร่างกายบังคับเราต้องทําการงานทุกอย่างเราก็กำลังนึกถึงความเป็นจริงว่าถ้าเราเกิดเป็นคนอย่างนี้กี่ชาติสภาพอย่างนี้จะเป็นแบบนี้ทุกชาติไม่มีชาติไหนที่เราจะไม่แส ไม่มีชาติไหนที่เาจะไม่ป่วยการไม่พักผักจากของรักเขาที่ต้องชอบใจก็ไม่มีเขาต้องมีทุกชาติและเราก็ต้องตายทุกชาติถ้าดินแดนแห่งใดที่เราจะไปต้องเผชิญความทุกข์ถ้าเราจะไปสวรรค์หรือไปตรมดินแดนสองแห่งมีความสุขจริงแต่ว่าความสุขในสวรรค์นั้นทงก็ไม่แน่นอนไม่มีกายทรงตัว มหมดมรูักธระบารมีรกับมาทุกใหม่ยังบรรดาญาโยามบริษัททุกคนที่มานั่งทีนทุกคนเคยเป็นดวดาเป็นนาฟ้ากันแล้วเคยมาแล้ ว, น, น, ลวนักบาระมทวนว่าถ้าไม่เคยเกิดเป็นรรดาไม่เคยเกิดเป็นนางฟ้าไม่เคยเกิดเป็นนก็จะเจริจกรรมฐานาไม่ได้ถ้าจะถามว่าใครบังคับก็ต้องตอบว่ากดค้งกรรมบังคับ าการเจริญกรรานนี้ก็ต้องดูกันก่อนถ้าพอใจเจริกรรมฐานในขั้นตอนไหนถ้าขั้นตอนเบื้องต้นก็แสดงว่าใช้พลังบารมีอ่อนถ้าใช้กําลังขั้นตอนเบื้องปลายนั่นคือหวังนิพพานอย่างนี้ต้องมีบารมีเป็นปรมัตรบารมีถึงแม้ว่าเราจะบริพานชาตินี้ได้จะไม่ได้ก็ไม่สําคัญสําคัญว่าจิตใจเราต้องการนิพพานหรือเปล่า จิตใจเราต้องการนิพพานแสดงว่าถ้าบารมีไม่ถึงปรมาทบารมีมันต้องการจะไม่ได้จิตยังไม่ออกการเียกบารมีแยเท่าไรังบารมีให้จักเปสามชั้นบารมีต้นทั้นเรียกบารมีเฉยๆบารมีกลางท่านเรียกอุปาบารมีบารมีสูงสุดท่เรียกปรมาทบารมีแต่คนที่มีบารมีต้นในขั้นเต็ม ท่านคนี้จะติงเฉพาะทานกับสิลข า, าจะทมสะดวกเฉพาการให้ทางกับการการรักษาศีลในการรักษาิีลวุ่งแสกมีขั้ น, นต้นจะไม่ถึงศีลแปดยังตึงก็อยู่เพียงแค่ศีลห้าถ้าท่านคนนี้จะไม่พร้อมในการจะเร้ยนาานิทานถ้าทูในการจริยนสมาธิกรรมฐานท่านบอกเขาทาไม่ได้ กลังใจไม่พอตั้าแต่พูดใหม่แฮนดีบอริสเขาบอกไม่ว่างขอเวลาไม่มีนี่สาหรับคนมีมบุญบารมีขั้นต้นจะอยู่แค่นี้ถ้ามีบา ร, รมีเป็นอุ ป, ปาบา ร, รมีกลียวบา ร, รมีขั้นกลางบา ร, รมีอุปาบารมีนี้พร้อมที่ทรงชานโลกีเป็นบา ร, รมีนี้พ้อมสับฌานโลกีก็ทรงใบแม่ ท่านคนนี้จะพอใจในการเริญพระสมฐ า, านและพอใจในการสังขารแต่ว่าถ้าจทชวนให้บุกบันในขั้นวิปัสนาญาณท่านจะบอกว่าไม่ไหวโดยเฉราะอย่างยิ่สมาธิวิปัสนาญาณอาจจะมีบ้างแต่ตก็ไม่เข้มแข็งนะักเพราะวีพสมาถาอุปัสนานนยันแยกช่วยได้แต่อยู่คู่กันและกำลังด้านวิปัสนาญาณจะต่ จะเข้มแข็งเฉพาะสาหรับสมถะภาวนาถ่าท่านผู้นี้ถึงมาว่าจะพอใจในการเจริญกรรมานถ้าเราบอกว่าสั่งนิพัานกันเถอท่านผู้นี้ก็บอกว่าไม่ไหวกำลังใจไม่พอใจทวนอณิพํ า, าหนัดไหนก็าตามเขาจะไม่พร้อมจะไปและก็ไม่พร้อมทะยินดีต้องอนิพพานต้องนิแทกฌานส ม, มาบัติอันนี้เป็นอุปาปัฏนะ ถ้าเป็นป ร, ร, รมาทบารมีเราดีเห็นว่าเราดันดันบร่าอาจจะยังไม่มีความเข้าใจเรื่องนิพพานพอสัมผัสวิปัสสนาใยนขั้นเล็กน้อยพอสมควรอาศัยบา ร, รมีเก่าเพิ่มขูนหนุขึ้นมาก็มีความต้องการเรื่องอนิพพานเพราะที่นี้จากจิตหวังนิพพานจะไปชาตินี้ได้ไม่ได้เลยสาคัญเพราะการหวังนิพพานจริงๆต้องหวังว่าหลายชาติ คือป่าบามีที่เป็นปรมัตตาบารมีจะสมบูรณ์แบบคือต้องหวังอะไรชาติถ้าจิตหวังพระนิพพานจริงๆพกนี้ก็มีหวังที่ที่ได้ยว่าเป็นบาลมีเป็นปรมัตตบารมีดังนคนที่จะมีบาลมีเข้าถึงปรมัตตบาลมีก็ดีป่าบาลมีก็ดีท่านพวกนี้ต้องผ่านความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นสมกันมาเมื่อ ว่าบารมีขั้นต้นเขสามารถเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้แต่เป็นพไม่ได้เพราะบารมีขั้นต้นจะไม่มีฌานโลกีพรนี้จะทําบุญแบบไหนก็ตามถ้าไม่มีฌานโลกีไม่สามารถจะเป็นพได้เวลาอุปาบารมีเนี่ยเพร้อมในการสุญฌานแต่ว่าถ้าเวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายก็ไปเป็นพรไม่ได้เหมือนกันถ้าเวลาจะตายเข้าฌานตายก็ไปสปดนพได้แต่เขพร้อมแล้ว ส่วนหลักที่บารมีบา ร, รมีเป็นปรมิตาบา ร, รมีเราตีเห็นว่าเราจะบกช่องในความดีมอยู่มากศิงก็บกช่องสมาธิก็ไม่ทรงตัวปัญญาก็ไม่แน่นอนนะไอ้อย่างนี้มันก็ไม่แน่นอนถ้าคนที่ไปนิพพานจริงๆมันชัว์แค่โวเยววต่ออาศัยความฝึกจนชินอาศัยความฝึกไปบ้างมากบ้างน้อยบ้างทำทำฝึกบ้างทำถูกบ้าง แต่ว่าถ้าอารมณ์ชินเขา อ, อารมณ์มีอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือไม่ต้องการเกิดมีความรู้สึกตามความไปจริงว่าการเกิดขึ้นมานี่มันเต็มด้วยความทุกข์ความเกิดอย่างนี้จะไม่มีกัราอีกแต่จะมีความเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายวันหนึ่งถ้าคิดอย่างนี้ทักสองนาทีคิดทุกวนันอารมณ์นี้มันจะชินคำว่ า, าชินก็คือชาญชัยก็คือชิน แม้ว่าเราเปิงอย่างมาเกิดซึ่งจริงเกิดขึ้นแต่วันสั้ไม่มากนะเห็นทุกวันละสองสามนาทีนอกจากนั้นก็เผยเห็นสุขหรือว่ามีการงานขคข้ามาขั้นตอนไม่ได้นึกถึงความทุกข์ก็อย่าหาว่าเขาเรวไม่ได้ต่อเมื่อเวลาที่ใกล้จะตายขึ้นมาจริงๆ ป่วยไข้ไม่สบายการป่วยไข้ไม่สบายมันมาขับจิตในร่างกายเป็นทุกข์แ้วคนป่วยไม่มีส่วนไหนของร่างกายบป็สุขแม้แต่ลมก็มีการไข่ข้ออยู่เสมอเก็เห็นว่ า, ากายเกิดมันไม่ดีแบบนี้ร่างกายก็ป่วยรมก็ไข่ขอ้ออาสัยที่มีจิตคิดจริงๆว่าร่างกายเกิดเป็นของไม่ดีเกิดทุก อ, อย่างนี้เราไมาต้องการมันอารมณ์นี้ก็จะเกิดถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นมาจริงๆก่อนหน้าจะตาย ก่อนหน้าจะตายถ้าเป็นสภาวะอารมณ์นี้จะหนักแน่นในวันนั้นแล้วก็ตายวันนั้นมันอาจจะเจือเพรต้นต้นก่อนมันอาจจะอ่อนไปหน็หม่ถ้ามีจิตจริงๆว่ากายเกิดเป็นของไม่ดีมันเป็นทุกข์ชนิดเราไม่ต้องการมันอีกจิตบางเฉยเข้าขัน้นสังขารุเปิฆายานเป็นนิปัญญายานตรงสุดท้ายสังขารุเปฆายานนี่ญาติโยมฟั ง, ล ง, ล ง, งแล้วเข้าใจดีนะ สังขาวเปรียญายาในการวางเฉยในร่างกายร่างกายคนอื่นไม่สําคัญเหมือนกันร่างกายของเราเรามีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานีมันไม่ดีจริงๆเวลานี้ปวดที่บ้างดังเสียที่มีบ้างขาที่น่นบ้างยอดที่มีบ้างมันมีความหิวโหยบ้างหมดแรงบ้างจิตใจเปื่อยนไปบาป้างสรุกแล้วในร่างกายแต่ร่างกายไม่มีอะไรดี ถาความรู้สึกว่าร่างกายไม่ดีเกิดขึ้นนี้ในวันนั้นแล้วความจินใจก็เกิดขึ้นว่าเราไม่ต้องการกายอย่างอีกจิตก็เข้าถึงการวางเฉยไม่ต้องการอีกมัญจะตายก็เชินตายมันจะเชิญมันตายแล้วไม่เชิญมันตายมันก็ตายใช่ไหมในเมื่อมันจะตายแต่เราไม่หนักใจเดนผ่านตายเธอถือว่าถ้ามันตายในเราปฏิภานมันนั้น ต่ว่าเวลานั้นจะนึกถนิพพานใน้มั น, นกก็ไม่สําคัญเหมือนกันถ้านึกว่าเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกอารมณ์พระอรหันต์แค่นี้นะวันนั้นท่านจะเป็นพระอรหันต์จิตใจจะวานเฉยไม่ได้กายเห็นร่างกายเพรเราเราก็เฉยไม่ต้องการไม่อีกเห็นร่างกายคน อ, อื่นเราก็เฉยอย่างนี้ก็ได้ขันสองข่าวไปขายยากถ้าตายเมื่อไราก็ไปนิพพานทันที กว่าถึงพวกพิพิชณาเองเพิ่มเว่าปรมาภบ า, ารมีนะก็จะใช้สัพววิภชนายานถาว่าตัวไหนเป็นตัวสูงสุดก็ต้องตอบว่าสังขารเปรคาญาณสูงสุดในปัญนายานเก้าเขาไม่จบที่สังขารเปรคาญาณแล้สังขารเปรคาญาณในธรรมยากหรือง่าย เรื่ความจริงถ้ า, อ, าอยากบอกวญาติกก็ยากสําหรับคนมีบารมีไม่ถึงถ้ามีบารมีเข้มข้นจริงๆก็ของของทำไม่ยากต้องใช้ปัญญาเข้าใจตามความเป็นจริงเท่านั้นโรงความว่าวันนี้พูดมาพูดไปพูดไปดมาชั้นพูดว่าไงบ้างนิจําไม่ได้เนี่ยตอนนี้ไปก็มาพูดย้อนต้นนิดหนึ่งคนเราเกิดมาไม่แก่มีไหม ไม่มีนี่ทุกคนจะตอบว่าคนไม่แก่เลยมีแต่ว่ทุกคนไม่รู้สึกตัวว่าแก่เลยมีแก่บนแก่ล่างกลางไม่แก่ขามันแก่เดินไม่ไหวไม่หัวหนอกตาฝ้ามองอะไรไม่ถนัดใจใจมันไม่แก่เห็นไหมแก่บนแก่ล่างกลางไม่แก่ แายถามลูกคนละใครไม่แก่หรือไต่างคนเราทุกคนต้องแก่ถามว่าคุณแก่หรือยังยังครับเคยกำลังรอความแก่นะวันนี้ก็มาดูว่าใครต้องที่พคนอยากความแก่แต่ลวันนี้มาพูดวันนี้มาพูดเรื่องความแก่จะมีเวลาเร้พูดมนตายนิดหนึ่นนนนนงก็ไปดูท่านที่มีกําลังบารมีสูงสุดในโลกนั่นคขีพระพุทธเจ้า ไปการแข่งหลังที่สุดที่พระพุทธเจ้าจะถึงการนิพพานก่อนหน้าจากนั้นไม่กี่เดือนนะัก<ม>ก็เห็นว่เป็นระยะเดือนทสองนะมั้งออกพรราแล้วนี่นะถ้ามหากระสบเป็นลาพระพุทธเจ้าคนนําท่าออกคุณ ด, ดงพระพุทธเจ้าทรงไต่กระเพาะตั้งมากระสุบวการสัปดาดูก่อนกระสุบเธอแม่แต่แล้วนะ ตาถาเขาก็แก่แล้วเ่ยจึงอยู่รับขายานเรียบ้านถวา้เถอะแล้วเข้าป่าให้น้ำบากเลยอาจามาก็ไม่ทราบเหมือนกั น, น, กก ว, กนว่าพระอาจารย์ก็ศพพระเจ้าขยัแกว่ากันแล้วพระเจ้านิพานอายุปดสบิบพระอา์ก็ศพพระนิพานอายุร้ยี่สิบแต่เคงจะเข้าใจว่าพระอา จ, ร า, จาราย์ศพเอาแกว่ากันเล็กน้อยเขาคิดไว้อย่างนั้นนะ พ่อญาต ก, ก็ส่งเตือนประสบเธออยไปป่าเลยอยู่ให้ชาบ้านรักทานนี้จะได้ถวายเป็นการสง่งพระชาบ้านเธอะเข้าป่ามาแสนจะลาบากพระบารมีกระสบก็กลาดพูนว่ า, พ, า, พ, าพัน ป, ป, ปีพระเจาวรวพระองค์สมเด็จพระขูมีพระาเจ้าผู้เจริญพระพักตรพระเจ้าทําแบบนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองถ้าเวลานั้นท่านเป็นพระอรหันต์ ถาเวรหันม า, นานแล้วจะท่าเป็นพระหมักในการทุนดวการทําแบบนี้ก็ทําหนึ่งนําพระใหม่ให้รู้จักการทุดดนดวงการชำระกิเลสทําตัวให้อ่านจากกิเลสจากการมกคุณทราการที่สองต้องการให้เปเยี่ยงอย่างพระที่เกิดบกบกเบื้องหลังต่อไปขนาดว่าสมัยหนึ่งไม่สมัยจะองค์สมเดชพระสัมมาในพระเจ้าสมบุญอยู่ก็มีสาวกของอมสมนเด็ชพระรามคูมีนามกัดศพ เธอปฏิบัติพระดวงวัดเป็นกิจประจําวันเป็นกิจประจำเธอเจ้าเราทำแบบนั้นแล้วก็牟ทนาวัดดีนั้นก็สบเธอที่อย่างนี้ก็ดีแล้วแปลว่าผ้าสัญติของเธอที่เธอใช้เก่าคืนไปเธอยังผ้าสนาติของเธอให้ตาถาคดแล้วตาถาคดเเธอเอาผ้าสัญญาติตาถาคดไปใช้กันสวยไรเรียกกัน พระเวทเจ้าก็ทรงประทานเทาสมรติเพระองค์ที่ใหม่กว่าให้ประมายเจ้าศพถาประมาทเจ้าศพก็เข้าป่าไปนำธาตุไปชุบดวงอันนี้พูดตอนนี้ก็ยังทราบว่าคนทุกคนที่เกิดมาในโลกคนที่ไม่แก่ไม่มีแม้แต่เวทเจ้าสมเป็นอาารยิยมรรคมนุษย์สูงสุดเกิดมนุษย์เทวดาและปุ่ทั้งหมดก็ยังแก่ต่อหน่อยดีไหมต่อดีเลไยไม่เลยเวลาเปยนะ นั่นม่เป็นไรไปเข้าเรื่องมื้อานมนาตาจ่าตกไม่เป็นไรนะก็ลงฟ้ามาหลังจากที่ฟ้าร้องห้อยก็ตไปกู ด, ดงแล้วไม่นานนะักหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงป่วยเห็นไหมแกแล้วก็มีการป่วยพระเจ้าก็ยินท่านป่วยเป็นปกตินะไม่ใช่ไม่ป่วยท่านต้องมีหมอชีวกโกมารพัชประจําพระ อ, องค์ แตว่าหมอกชีวโกมลภัทรทีกเขเก็งจริงๆเก่งมากคุณฤาษีอยากเป็นอะไรขึ้มาเราตามถวายยาครั้งเดียวโรคนั้นต้องหายทันทีแล้วก็หายจริงๆไม่เหมือนฉันนะฉันห้าปีขึ้นไปแต่ผมยังไม่หายเลยแล้ไม่ก็จวนหายแล้วไม่ใช่โรคหายตัวยาหายไปแล้วนี่มันยําแย่ต่องกลับมาต้นมีหมอก็ชื่อว่าโกมลภัทรเป็นหมอประจําพระองค์เป็นหมอที่เก่งมาก ตอมาหลังจากนั้นท่านโกมารพัฒไม่อยู่ไม่ทราบว่าไปไหนท่านโกมารพักนี่ต้องเล่ากับพวนี้นอีกวันนะแต่ใรัรจะฟังพวกนี้ตัง้งใจกระตังข้ากูดนะนื่ไอ้ฝันไอ้ฝันก็เดียวพอเพราะว่าท่านโกมารพัฒไม่ไม่ทราบว่าไปไหนเพราะพระเจ้าทรงป่วยมากพอหลังจากเข้าตรงกลางเป็นสามที่เด็กว่าวัน มาข้าบูชาโด้วยเจ้าก็สวนอริฐานดวงอายุสังขารคำว่าโรงอายุสังขารและตัดสินใจว่านับแต่นี้ไปอีกสามเดือนเราจะมิพานกระบาทนา ง, นางนนรังนกูงเมืองปูธชินราหมานม่คอจ น, ลลนจะมิพานแล้วท้าก็หาเวลาร่างกายก็ป่วยมากขึ้นในการโชคซีดมากขึ้น ตามท่าสวดในตามนี้ถือว่าตามธรด า, าพระพุทธเจ้าจะใครเข้าไปฟังเทศอ่านเยเชษท่าสวดดับบง้งชาดก บ, บั้งเพื่อสร้างความเข้าใจขึ้นเป็นบุคคลตัวอย่างแต่หลายจากลองยุ่สังขารแล้วไม่ยอมเทศไม่ยอมท่าสวดและชาดจากจะเทศเฉพาะศีล ส, สมาธิปัญญาในการลุกให้คนเก้าเข้าถึงความโอตรทุกข์ทุกข์เร็วขึ้น พระพุทธเจ้าตั้ยุสังขารวัาต่อไปนี้อีกสามเดือนกลางเป็นหอย่างนิพพานใระหว่างนางนา้นางคู่นางเงินภูสินรามานครเวลานั้นจับยาโก้ท่านโกมลพัฒนกลับจ่าทุระเข้าไปก็เห็นพระพุทธเจ้าทรงโศกซีดมากก็ตกใจพระองค์สันเด็จพระจอมไตรไม่เคยสุบสีอย่างนี้ต้องป่วยหนักมากแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงออกว่าป่วย อัานป่วยมากแต่ใครเข้าไปหาท่านแทนก็เก่งใครไปหาท่านก็ส่งเคราะห์ตามหน้าที่ในฐานะเป็นพุทธเจ้าแต่การฉันพระยาห์ันก็ดีน้อยลงแต่การเคลื่อนไหวช้าขึ้นโครงความทุกอย่างร่างกายเราสุกสิ้นทิศแต่กรมารถก็ทร า, าบว่าป่วยแต่ไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคอะไรถามพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ส่งตอบ ถามว่าการโรคป็นยังไงพระเจ้าไม่ตอบถ้าคื้นตอบมิผ่านไม่ได้อ้อควรที่สำคัญแล้วต้องผ่านตาม น, นั้นก็เป็นว่าแต่กรมมารถใหก็กุงยาที่งานเนี่ยขนาดเนี่ยอเม็ทเดียวตั้งใจคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงเสวยยาเม็ดนี้เราจะทราบทันทีว่าพระเจ้าเป็นโรคอะไรไง่ายเก่งนะเนี่ยดีตอนนี้ถ้าตั้งอยู่ฉันไม่ป่วยเนี่ย ตอนที่ท่านนิพพาน ไ, ได้ก่อนแล้วฉันเลยป่วยโดนแม่หายเจ้าจะม่าไปไม่เร็วก็มาบอกยาให้ตรงนะดีขึ้นตอนนี้ท่านจะตรงตรงยาเม็ดในขึ้นมาเข้าปถวายพระเจ้าพระเจ้าไม่ยองรับเราเข้าไปเกี่ยวแม่งคว่ำ ม, มือก็ไม่ยอมรับแต่เรื่องพระเจ้านีนจะทำไม่ได้แค่ในเกินสามครั้งถ้าถามสามครั้งไม่ตอบก็ต้องหกุถาม ถ้าถวายสามครั้งไม่รับ ก, ก็ต้องเลิกถวายเข้าถวายแค่ทีหนึ่งท่านก็ควาำมือไม่ยอมรับท่านก็โออกมาถวายคบข้ามีสองไม่ใช่วันเดียวกันนะเรื่งขึ้นท่านก็ไม่รับถวายข้ามีสามท่านก็ไม่ยอมรับท่านโผมพกกาพระก็ทราบจากพระมังวัตถุเจ้าทรงพระอุสังขารแล้วลาจานิพานกลางเดิน6ดซึ่งเป็นูศรัรามหาคร ท่ากลัมาถ้านก็เสียใจมากเวลานั้นท่าเป็นมาโสดาบันท่าคิดว่าเวลานี้เราก็เป็นมาโสดาบันถ้าพุทธเจ้ามิภายใครอสอนเราเราก็หมดที่พึ่งเราเป็นคนไม่ต้องการอะไรทั้งหมดเราต้องการจะก็เอื้อยารักษาพระพุทธเจ้าปฏิบัติพระพุทธเจ้ า, าแล้วเราต้องการจะตายก่อนเห็นไหมอ้อเปียนเป็นอันว่าท่านเกิดไม่ตายก่อนท่านก็เสียใจ เราคิดในใจว่ายาเม็ดนี้เราทําเพื่อพระพุทธเจ้าอย่าให้ใครกินเขาอะไรสงควรจะไม่ว่านที่ไหนมันก็ไม่เหมาะก็เลยเอาไปใส่ในบ่อน้ำให้ลายกุ้นบ่อน้ำพอใส่ลงไปอองร้อยควาะใจมนกเกิดขึ้นน้ําำฟูขึ้นมาน้ํามันลึกหลายวาประมาณเก้าวาแล้วสุบวาเดินลงไปนะก็บ่อลิล่ก็ปลาดโดนน้ําฟูขึ้นมาถึงฝากบ่อก็เห็นี้ของอศัศจรรย์ ในเวลาเล็หนึ่งนาทีก็เป็นมาว่าในตอนนี้ปรากูก็ตำดาสูตรต่างหลายเขียนยี่หลังเขาเขียนยี่หลังมีกาจาร์มม่เงินสดมีกาจาร์ขืยนว่าท่านเวรตวัดให้ท่าน เ, า อ, านเอาสมองชี่อว่าปุมรละพัดเอายาเม็ดนั้นใส่บอ่อน้ําพุ่งจากบอ่อนไว้เจ็บทั่วลำตาลมันไหลาปีสองพันปีกว่าเนี่ยยาวยาวเขียนหน่อยอยู่ไหมอตอนหนึ่งก็ได้ไหวกระเด็นกรรมฐ า, าน พบเป็นโก ม, มารพัฒนถามนะว่าเอนน้ำเจ็ดถ้วลําตาน้ำน้าถึงปากบอ่ออย่างไหนมันถูกต้องถ้าหมดน้นําแค่ปากบอ่อน่ถูกต้องก็เลยถามนะ ว, ว่าดีกายใจเขียนว่าเจ็ดถ้วลําตาน้ำบอกคนนั้น้ำมันยาวๆเหม่อนเหมือนเขวัดนเหมือนทาวั น, นะ ม, น, วนมันไม่ก็เลื่อยยาวไปหน่อยเวลาครึ่งชั่วโมงพอดีนะเอาแล้ ว, วันนี้จบแค่นี้วันนี้ต่อใหม่นะ เออก็ตอนนี้ไป็นายดญาต<า><า>ิโยมพุดธวยเศษหลายต่างใจสมาทานมาทำฐานสมาทานศีล